ไปก่อนไปเรียนธรรมะกับครูบาอาจารย์ต้องฟังเอาเองฟังแล้วก็จำเอาอย่างนี้เครื่องทุนแรงเยอะโยมมาจากไหนกันบีบนี้ไม่เคยมานะ <c oughs> ปะกติไปฝึกกันที่ไหนล่ะปฏิบัติบ้างไหม <c oughs> ไปฝึกแนวไหน <c oughs> ไปเข้าวัดไหนล่ะ อ๋อหมู่นี้วัดทำมูงคนเยอะเลลูกศิดท่านเยอะหลวงพ่อก่อนอาตมายังไม่บวชก็เข้าไปเรื่อยเรี่อยพไงเอาเลยเริ่มตีเวลาแ้วคือว่าวช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่ น, ต น, น, น, น, น, นั่นอื่คือนั่งเรานั่งเรานั่ง่ายดีคือออกกำลังกายแล้วมีกสมาธิะค่ะแล้วก็แบบว่าเห็นตัวรู้มัน คือมันเป็นก้อนนะคะ่เราคือมันแยกกันอยู่นะคะแ้วพอราเว่าเราเห็นแตกนเจอเว่ามันเจอความเชื่อเราเห็นแต่แค่ความความยึดความยึดมันแต่เไม่เห็นว่าเออความเป็นตัวเป็นตนค่ะแล้วดีๆจิตมันก็พิดกลับเข้าไปดูตัวรู้ะคะแล้วมันก็เลยหายไปเลยก็ดีแล้วนี่แล้วแยคราวนี้เราไม่ได้ดูแบบทั้งบนทั้งอางเราดูแบบดูอยู่ข้างนอกมันแปแกๆค่ะ แล้วตอนนี้คิดว่ารู้สึกตัวถูกยังยังไม่ตรสหนเท่าไหร่แต่ช่วงตอนนี้สามากที่แต่ว่าเนี่ยรูสึกว่าเมื่อกอนยังอยู่กับเอยู่เป็นมองจากข้น้างเราใช่ไหมคะแต่ต้หมอว่าเรามองจากข้างนอกนะคะแต่รู้สึกว่าเอออกจจะขึ้นระดับนึงแต่มันก็ยังนนออยู่ในมันก็ยอในแคซูลจะเรามองข้างนอกกแคปซูลละไม่ได้ ไอ้แคปซูลเน่ยจะไปเลิกจะไปลือปล้อแคปซูลทิ้งไม่ได้นะปล่อยมันไปไงั้นนะรู้ไปเรื่อยๆคุณบอกว่าตัวรู้มันคือธรรมชาติตัวหนึงอะซึ่งม่อกอ็ไม่เคยเห็นอย่างนี้ค่ะราะว่าก็เห็นก็ดีแล้วนี้ก็ปฏิบัติก็ดีขึ้นอ่ะรู้สึกไหมมันสบายขึ้นสบายขึ้น ค, คือถ้าปฏิบัติถูกเราต้องสบาย นเพราะสำนักนี้สำนักสุขาปฏิปทาต้องสบายถ้ามีสติแล้วก็เกิดทุกข์โภมนัดล้วก็ไม่ใช่สติหรอก <Okay. S 1> สังเกตไหมว่าเราคล้ายๆเราถอยห่างออกมา <Okay. S 1> เรามาเป็นแค่คนดู <Okay. S 1> เป็นผู้สังเกตการไม่เข้าไปยุ่งด้วยนะแต่เดิมแยกชั้นแล้วก็จ้องลงไปเป็นก้อนนะเนี่ยไอ้นั้นใช้ไม่ได้หรอกนะแต่เดิมอาตอมา พอเจอก้อนนี่หาทางทําลายด้วยซ้าวันนี้เพ่งเพ่งร ะ, ะเบิดเปรี้ยงแหมดีใจพรุ่งนี้ใหม่กแล้วเพ่ยงยังไงก็ไม่แตกคราวนี้คราวนี้เจาะมันเจาะเจาะจะแตกเหมือนเจาะลูกโป่งนะแต่งดีใจอีกแล้วพรุ่งนี้มาอีกเจาะไม่แตกอีกแล้วนะต่อสู้เสียเวลาพลิกแปลงมากมายนี่แท้เพราะว่าหลงไปดูเป็นข้าเราวงปู่ ด, ดูลถึงสอนอย่าใช้จิตสแสวงหาจิต เราจงใจไปดูรู้สึกไหมมันก็เป็นก้อนขึ้นมาเออก็อย่าไปจงใจดูรู้ตัวอยู่สบายๆนะรู้ตัวให้มันสบายๆตอนนี้รู้สึกว่ามันมนเหมือนว่าตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวราไม่ใช่สิ เ, เออนั่นแหละภาวนาดีแล้วภาวนาต่อไปอย่าไปอุตริทาอะไรขึ้นมาอีกนะเออจะบอกมีอย่างเดีค่ะแต่ดูอว่านะคะ คนหนึ่งนะคะแต่ข้มือปุ่มปิ้อธิบายให้ผนเป็ น, น, ปนโซมแน่ใจของอ่าเผอิญว่าก็คุยกันแล้วเขาก็ดูให้แล้วก็บอกว่าเขาเออถัามันถ่ายพลังให้ี่ะือ่าวมันก็รกแมันกาเป็นค้างกันนะคะมถามว่ามันเป็นอะไรได้้าก็เสี๋ยวจะฝึกให้นิสัยเสียนิสัยเสียสิ อย่าปฏิบัติใ่ที่จะทำเองอย่างนี้ปดึงพลังข้างนอกเข้ามาไม่ได้ตั้งใจนะถ่ายให้เองถ่ายให้เองเราก็เอาไว้อได้ใช่ไหมคะพราแล้วแล้วงๆงเอ้ยไม่ใช่ไหมหรือว่าบางคนปฏิบัตินชอบไปดูดพลังข้างนอกนะไปดูดตามพระเจดีย์ก็มีดูตามพระเจดีย์เนี่ยนะเออไปดูดเจดีย์แห่งนี้พลังเยอะดูดแล้วมีพลังเยอะ บางคนนะอุตลิไปดูดถึงปราสาทหินเขาพนมรุ้งใช่ไหมออไครับอุตสาปกปิดนะดูดแรงไปหน่อยแต่ไม่เป็นอะไรเรพราะว่าเวลาก็คือมันก็พลังงานเราก็เอาไปใช้แต่ว่าอันตรายนะ เราดูดของพลังที่ดีได้เราก็ไปดูดพลังไม่ดีได้เราอันนี้ใสชอบยุ่งกับผีอยู่แล้วไม่ได้ยุ่งเอผีมายุ่งด้วยอ๋รแล้วชอบสนใจข้างนอกอยาสนใจแต่ว่ารู้สึกตัวได้ก็ดีแล้วก็รู้สึกไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวรู้นี่ก็ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมไม่มีเราสักตัว เออไม่มีหรอกนั่นแหละรู้ไปเรื่อยเรื่อยนะรู้ก็จนมันตัดสินความรู้นะก็แค่รู้ตัวก็ไม่ก็รู้ว่านเผลอไม่ได้ตั้งใจก็เมื่อมันโดนไปแล้วก็เออรู้แล้วก็ทิ้งมันไปนะก็ัมันก็เลิกเพราะรู้ว่ามันเกิดขึ้นนั่นต้องหลัได้อย่เดียวรงั้นอันมันอยู่แล้วก็ต้องหายไปได้เอออย่าสนใจนะอย่าไปอาศัย ของเครงนอกทำเอเองคือตั้งตรวไม่เสร็จก็ถ่ายให้โดยที่ตัวเองไม่ทันตั้งตัวเหรอะเดี๋ยวมีคนนึงถามไหมเจ้าของคําถามมายัางว่าเจ็บปวดทางร่างกายเช่นปวดท้องมากทุรนทุรายเวลาปวดสติแตกคนที่ถามเข้ามาออกคนนี้ยเหรอโทรอยู่นี่ต้องเขียนด้วยคือเวลาเราไม่สบายจริงๆเนี่ยนะ ถ้าเราจเจริญปัญญาไม่ได้มันมีเครื่องมืออยู่หลายตัวนะก็ใช้สมาธิถ้าสมาธิก็เอาไม่อยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนคืออาตมาไม่เคยเจ็บหนักถึงขนาดสติแตกอะไรนะเพราะว่าไม่ได้เคยป่วยไม่ใช่ว่าเก่งนะคือไม่เคยเจ็บหนักขนาดนั้นเลยไม่มีประสบการณ์ของตัวเองว่าเจ็บป่วยมากๆแล้วจะทํำยังไงเคยได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟัง ท่นบอกว่าถ้ามันป่วยมากๆากเจ็บมากๆเนี่ยทําสมาธิก็ไม่อยู่นะท่านบอกว่าให้คิดพิจารณาเข้าไปเลยนะคิดลงไปเลยบอกว่าเออร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้แหละนะมันจะต้องเจ็บเจ็บตอนนี้ยังดีกว่าถ้าเราไปทํากรรมชั่วนะเรารับผลนะก็ดีกว่าต้องไปรับตกนรกตายอะไรเงี้ยนะความทุกข์ตรงนี้ยังน้อยกว่านะท่านบอกให้ให้หัดคิดอย่างเนี้ยนะ ืออรกาา ม, มันเป็นเรื่องสมาธินะ่างเง้ยเรื่องสมาธิคือถ้าเราเจริญสติได้เราเจริญสติไปเลยนะห <c oughs> ลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่าเวลาไม่สบายทุกขเวทนากล้าเนี่ยให้เจริญสตินะ <c oughs> บางองค์ท่านเจ็บปวดมากท่านหลบเข้าสมาธิพอออกจากสมาธินะถูกหลวงปู่มั่นดูเอาเป็นวิธีของฤาษีนี้เรา จเจริญสติไม่ไหวนะอ่าไม่ไหวก็ใช้สมาธิถ้าสมาธิก็ไม่ไหวอีกเนี่ยท่านบอกให้คิดเอานะให้ใช้ความคิดเลยว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยร่างกายมันปวดเราไม่ได้ปวดให้คิดเอานะแต่สมาไม่รับรองผลนะยังไม่เคยทํายังไม่ป่วยขนาดนั้นสิ่งที่เราได้มีโอกาสมากราบอาจารย์ท่านที่แล้วค่ะก็ได้พยายามปฏิบัติในการเอาใจตามรู้ คืออย่าง น, นี้พอเรารู้ไม่ว่าเราจะรู้อะไรนะรู้เสร็จแล้วให้กลับมารู้ใจเราเช่นพอเราไปรู้ลำไส้เนี่ยเสร็จแล้วใจเราไม่ชอบใจเราไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบให้รู้ที่ใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยให้กลับมารู้ใจเราอย่างยกตัวอย่างเราเห็นคนเดินมานะใจเราเกิดคนนี้เราชอบเราดีใจที่เห็นเขาพอความดีใจเกิดเรารู้ว่าดีใจยโมแต่ดูเขาข้างเดียวให้ดูใจเราด้วย นะได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบให้รู้ว่าใจเราชอบนะเราเห็นลำไส้มันขยับตัวนะเี่ยใจเรารู้สึกกลัวสมมติกลัวให้รู้ที่กลัวคือกลับมาที่รู้ที่ใจเรานะรักษาใจไว้อันเดียวนะไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้มันอยู่แล้วให้รู้ความไม่อยากรู้อ่ะให้รู้ที่ใจใจเราไม่ใช่ลำไส้ใช่ไหมนึกออกไห้คุณละอ่านกัน แทนที่จะไปรู้ลำไส้ให้มารู้ที่ใจของเรานะอวามเชิญคุณนะเมื่อกี้ทางนี้เขาจองจิวไว้ก่อนเชิญกันไม่คิด้องหนึ่งเมื่อรู้ว่าัวค น, นเด็กเราแล้วเราจะไองไปัพลังอะไรมาใช่ใช่ อ, อัตาามาเห็นด้วยนะแล้วตัวตนไม่ใช่เราแล้วไปรับพลังทาไมคุณนี่เขาพูดถูกฟังไหมนี่พูดเป็นธรรมะ <c oughs> เอา้าพุ่งว่าไงเชิญหัดรู้สึกไปนะรู้สึกคือเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติมีอยู่สามตัวสามตัวหลักๆสติสมาธิปัญญาเนยะเรียนรู้ทีละตัวทีละตัวให้แจมแจ้งนะสติคือความระลึกได้หมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทัน เหมือนยามเท่านั้นเองเป็นยามคอยเฝ้าเวลาอะไรแปลกปลอมเข้ามาทางกายทางใจคอยรู้ทันเช่นนี่รูปมันไหวมีสติรู้ทันเห็นรูปมันไหวนะสติทำหน้าที่ระรึกรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยสติทำหน้าที่รักษาเรียหน้าที่ของสติคืออารักขาภาษาบาลีใช้คาว่าอารักขาหมายถึงมีหน้าที่รักษาใจไม่ให้ตกไปสู่ อารมณ์ที่ชั่วตกไปสู่อกุศลเพราะงั้นทันทีที่สติเกิดเนี่ยจิตจะไม่เป็นอกุศลหรอกจิตจะต้องเป็นกุศลแน่นอนนะและเหตุที่ทำให้สติเกิดขึ้นคือการจำสภาวะธรรมได้แม่นท่านภาษาบาลีเรียกว่าฉิระสัญญาหนะมายถึงการจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยก่นะอนที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญานะเราต้องหัดรู้จักสภาวะก่อน การหัดรู้จักสภาวะเนี่ยวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือการเจริญสติปัฏฐานนะการเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นนะจะหัดตามรู้กายหัดตามรู้ใจอย่างร่างกายเราเคลื่อนไหวนะเราเกิดรู้ว่าเมื่อกี้มันเคลื่อนไหวเมื่อกี้นะเพราะอันนี้เป็นขั้นตามรู้ยังไม่ใช่สติเกิดแล้วรู้ปัจจุบันหรอกนะตามหลังนิดนึงแต่ตามแต่ชั้นกระชั้น นะไม่ใช่เมื่อวานไปชกเขาแล้ววันนี้รู้ว่าเมื่อวานมือเคลื่อนไหวไปชกอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ช้าไปนิดหนึ่งนะให้เรารู้เรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวนะคอรู้ว่าเมื่อกี้มันเคลื่อนไหวคุณสว่างรู้สึกไหมนะหรือจิตใจเนี่ยคุณหมอรังสรรหันหน้าไปดูเขาเห็นไหมขณะนี้เมื่อกี้ตอนที่หันเราลืมตัวเรานะเพราะงั้นพอเรารู้ทันว่าเมื่อกี้หันเนี่ยเราจะรู้สึกตัวขึ้นมา หรือหัดรู้ใจก็ได้นะหัดรู้จิตใจจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆนะหรือจิตใจเป็นกุศลเป็นอกุศลก็ค่อยรู้มันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันโลบเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันอย่างนง้นอย่างนี้นะคอยสังเกตสภาวะนะต่อไปพอสภาวะอะไรที่จิตมันรู้จักแล้วเกิดขึ้นนะจิตมันจําได้แม่นยําละสติจะเกิดเองนะในคำภีรพระพิธรรมสอนไว้ดีเชียว บอกว่าทิละสัญญาคือการจําสภาวะธรรมได้แม่นยำนี่เป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นกระบวนการที่จะจําได้นะสิ่งที่จะทําให้เราจําสภาวะได้ก็คือหัดตามรู้บ่อยๆคําว่าตามรู้อย่างเช่นหัดตามรู้กายก็คือคําว่ากายานุปัสสนานั่นเองนะกายานุปัสสนาแปลว่าการตามรู้กายนะเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาจิตานุปัสสนาตามรู้จิต เพราะฉะนั้นการตามรู้กายรู้เวทนารู้จิตของเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทําไปเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นเองนะสติปัฏฐานในเบื้องต้นทําไปเพื่อให้เกิดสติไม่ได้ให้เกิดอย่างอื่นนี่พอเรามีสติแล้วทันทีที่มีสติเนี่ยสติจะทําหน้าที่อารักขานะภาษาบาลีใช้อารักขาคือรักษานั่นเองรักษาจิตนะไม่ให้ตกไปสู่อกุศลทันทีที่มีสติจิตจะมีอกุศลไม่ได้เลยนะ สติตัวจริงเนี่ย <foundations. S 1> แต่อย่างบางคนบอกว่าดูความโกรธอยู่นะมีสติรู้ความโกรธเห็นมันกลากลังโกรธอันนี้ไม่ใช่สติตัวจริงนะนันไม่ใช่สติของจริงยังลึกๆ ล, ล, ลงไปอย่างเราเห็นความโกรธเนี่ยเราเกลียดมัน <the Dynamic> เราอยากให้มันหายโกรธเวลาเห็นความโลภอยากให้มันหายโลภเนี่ยจิตขณะนั้นไม่ได้มีสติแต่จิตขณะนั้นมีกิเลสคืออยากหายโกรธอยากหายโลภอยากหายหลงนะ นั้จิตขณะนั้นไม่ได้มีสติจริงแต่ถ้าเรามีสติเรารู้ทันว่าเนี่ยตอนเนี้ยอยากหายกโกรธแล้วรู้ทันสภาวะแล้วสติเกิดขึ้นเองเลยนะอากูศลจะดับทันทีที่สติเกิดขึ้นเพราะอากูศลกับสติเกิดพร้อมๆกันไม่ได้ทันทีที่จิตเป็นกุศล น, นะทันทีที่จิตมันเป็นกุศลอย่างพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาพวกเราจะรู้สึกไหมใจเราจะเบาๆ แต่เราจะว่างๆเบาๆแต่เราจะเบิกบานมีความสุขมีความเบิกบานเกิดขึ้นในฉับพลันนะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะพอความรุ่งคุณรุ่งโรดดูออกไหมชื่อรุ่งโรดอะดูออกไหมพอเรารู้สึกตัวปั๊บจิตใจมันเหมือนมันยิ้มแย้มขึ้นมาจากภายในนะมีความสุขขึ้นมาฉับพลันเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีความสุขหรืออีกตัวหนึ่งก็คือเฉยๆ จิตที่มีอกุศลเนี่ยจะมีสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เฉยๆก็ได้แต่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีความสุขหรือมีความอุเบกขาเป็นกลางกลางนะอุเบกขาท่านก็จัดไว้อยู่ในกลุ่มของความสุขเหมือนกันเราไม่ใช่โธมนัสเนี่ยทันทีที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวจิตใจเป็นกุศลจิตใจมีความสุขเมื่อจิตใจมีความสุขแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ พวกเรามื่อจะเรียนบอกว่าถ้าทําสมาธิแล้วเราจะมีความสุขนะแต่ว่าจริงๆแล้วความสุขนั่นแหละทําให้เกิดสมาธิอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสือที่เราชอบตั้งเรื่องอ่านแล้วเรามีความสุขเราจะมีสมาธิในการอ่านจดจ่อในการอ่านเพราะงั้นเมื่อไรมีความสุขที่จะรู้กายรู้ใจเนี่ยเราจะมีสมาธิในการรู้กายรู้ใจใจจะไม่วอกแวกใจจะไม่หนีโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ นี่เมื่อใจเราตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจมันเปิดทางให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาเนี่ยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเราก็จะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ใจก็จะค่อยปล่อยปล่อยเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันนะงั้นตึกสรุปได้ไหมตึกเริ่มต้นปฏิบัติจะทาอะไร เออตามรู้ไปนะตามรู้ไปเรื่อยๆทำได้แค่นั้นแหละเออทาไม่ได้นะจิตที่เหลือจิตเขาทําเองนะเบื้องต้นเพราะงั้นเราทําสติประฐานเบื้องต้นเนี่ยหัดตามรู้กายรู้ใจเรื่อยๆแล้วสติเกิดขึ้นเองนะเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตใจก็จะมีความสุขนะจิตใจก็จะตั้งมั่นในการตามรู้กายรู้ใจจะรู้รู้สึกว่ามีความสุขที่จะรู้ไม่ใช่เคร่งเครียดที่จะรู้นะไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยที่จะรู้ ถ้าอย่างนั้นจิตยังไม่ได้มีความสุขจริงแต่ว่ามันพอใจมีความเพลิดเพลินพอใจที่จะรู้กายรู้ใจพอมันมีความไม่หลงไม่ไหลไปที่อื่นมันคอยรู้กายรู้ใจเนี่ยมันจเจริญสติปัฏฐานอีกระดับหนึ่งได้คือจะสามารถตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่คือขั้นของการจเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐานตรงนี้จะถึงขั้นทาวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญา นะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานนี่มีสองส่วนเบื้องต้นทำให้เกิดสติเบื้องปลายทำให้เกิดสัญญาสติปัฏฐานไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นนะไม่ได้ทำเพื่อความฉเฉลียวฉลาดโต้เถียงเก่งรู้พระไตรปิฎกเยอะหรือว่าทำให้หูทิพตาทิพอะไรฝนะึกไปเท่านั้นเองงั้นเบื้องต้นคอยหัดนะงานอันแรกที่พวกเราไปทาหัดสังเกตสภาวะในจิตใจของเราไป จิตใจเรามีความสุขก็คอยรู้มันทุกข์ก็รู้นะมันมีมานะอัตตาว ด, ดีวดเก่งอะไรเกิดขึ้นคอยรู้มันไปเรื่อยๆกิเลสแต่ละชนิดเกิดขึ้นคอยหัดดูไปนะเบื้องต้นเราจะรู้แต่กิเลสที่หยาบๆยาบมันเป็นเรื่องธรรมดานะรู้ไม่ได้ตลอดรู้ไม่ได้ทุกชนิดนะเพราะว่าเราหัดใหม่ความรู้เราน้อยนะกระทั่งหัดเก่าๆนะแตมาหัดมานานก็ยังความรู้น้อยนะไปดู ศึกษาธรรมะธรรมโมภูบาจารย์โอ้ความรู้ท่านเยอ ะ, ะศึกษาพระไตรปิฎกความรู้ในพระไตรปิฎกเยอะแยะะเรารู้นิดเดียวแหล ะ, ะความรู้เล็กน้อยรู้นิดเดียวพอว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงทําไงใจจะไม่ทุกข์กิเลสเกิดได้ยังไงหัดสังเกตหัดรู้ไปพอรู้ไปเรื่อยๆจิตใจสบายอย่าเรียนธรรมะให้เกิดความหนักใจนะ เรียนธรรมะบางคนยิ่งเรียนยิ่งรุ่มใจเรียนเอาไปนั่งทะเลาะกั น, นชาวลานธรรมเมื่อก่อนนี้ชอบนะเรียนเอาไว้เถียงเขียนจะทู้เถียงกฤฤฤันใครจะชนะใครเรียนเอาชนะนะเรียนเอากิเลสไม่ได้นะเรียนเอาให้จิตใจมันมีความสงบความสบายนะอย่าให้กิเลสครอบงําแล้วก็จะได้รู้ของจริงๆว่าความทุกข์ทางใจมันเกิดได้ไง เข้าใจยังตึกเพราะนั้นสิ่งที่ตึกทําได้นะคือตามรู้เท่านั้นแหละตามรู้กายตามรู้ใจเบื้องต้นเลยก่อนจะตามรู้กายตามรู้ใจถือศีลห้าให้เป็นนะรักษาศีลห้าก่อนบางคนไม่รักษาศีลอยู่ๆก็หัดเจริญปัญญาเลยไม่มีตัวเราตัวเขามีนะรู้จักคนหนึ่งตบหน้าคนอื่นบอกตบด้วยจิตว่างนะมันใช้ไม่ได้ดอกคุณปีานารู้เรื่องอยัง จักเป็นไงจกักอ๋อดีนะอย่าทำอะไรเยอะหรอกรู้ไปเรื่อยๆนิเวศเป็นไงนิเวศอย่าไปทะเลาะ ก, กับมันนะเรานิสัยนักเลงทะเลาะ ก, กับมันเ้วยนัเจียมเป็นไงนัดเจียมไปพุทธมนตรไหมดีนะฝึกแล้วดีขึ้นนะสายหลวงพ่อเทียนเขาก็ดี จริงๆแล้วแนวทางปฏิบัติหลายๆสำนักดีๆนะมีเยอะแยะไปบ้านเมืองเราเรียนให้ถึงแก่นกันแล้วกันถ้าเรียนแต่รูปแบบเดี๋ยวมานั่งเถียงกันว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนนั่งทะเลาะ ก, กันถ้าเรียนให้ถึงแก่นเรียนให้เกิดสติให้เกิดการสามารถตามรู้กายรู้ใจก็ไม่มีเรื่องต้องทะเลาะ ก, กันหอกว่าไงจากเชิญ ใช่ใช่มันเกิดเองแหลนะนะรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมจากอย่างแต่เดิมเราพยายามบังคับจิตของเราะสิ่งที่ได้คือความทุกข์นะทําไมบังคับจิตแล้วทุกข์มันอยากปฏิบัติเมื่อความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมานะแต่ถ้าเราพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตมีความสุขแล้วมันจะขยันรู้สึกเรารู้สึกตัวขึ้นได้เพราะดูออกไหมว่ารู้สึกได้เพราะอะไร อย่างพอกิเลสเกิดขึ้นมานะกิเลสตัวที่เรารู้จักแนละ้วเกิดขึ้นมาสตรีมจะเกิดเองตรงเนี้ดูออกไ่ า, ดออ า, า, าได้อาการบางอย่างนั่นแหละนะเรารู้อาการทุกอย่างไม่ไหวในคัมภีร์มีวันบอกกระทั่งท่านพระสารีบุตรว่าปัญญาท่านเลิศกว่าคนอื่นแล้วนะอย่างจิตในอรูปฌปาน ที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างเนี่ยท่นานพระศาติบุตรยังไม่รู้เลยนะเพราะงั้นพวกเราสาวกรุ่นปลายแถวแถวนะหลังแถวแล้วเรารู้นิดนิดหน่อยๆน่อยหรอกนะบารมีเราไม่เต็มเราก็รู้ได้คนละนิดคนละหน่อยแต่ว่ารู้ในเฉพาะส่วนที่ว่ามันจะไม่ทุกข์ก็พอแล้ ว, ล ว, าลวบารมีก็ทำเอาสินะ บรารมีมันเป็นความเคยชินของจิตใจที่จะทำความดีนะอนุใสก็เป็นความเคยชินของจิตใจที่จะไปชั่วไม้ไม้เป็นไงไม้เอออย่าไปหนักมันกินเนาะตีอัติตีดีขึ้นเยอะเลยตีเวลาจิตมันหลงไปดูออกอย่างเวลามันหลงไปแล้วเราไม่ดึงคืนอ่ะดูตรงนี้ออกเลยใช่ไหมเออมันถึงได้เป็นอย่างนี้ พอจิตมันลงไปเรารู้ทันปั๊บไม่ดึงคืนมามนก็จะเป็นอย่างที่ตีเป็นตอนนี้แต่ถ้าตีดึงคืนนะไม่ใช่มาแน่นแน่ น, น, นเหมือนที่ไม้เป็นนะข้างหลังนนเป็นไงเคยมาไหมข้างหลังเคยฝึกกันแนวไหนเคยหัดปฏิบัติไหมเออไม่นั่งสมาธิไม่เป็นไรนะสมาธิไม่ต้องนั่งก็ได้ แล้วสมาธิเกิดอยู่อย่างเราเคลื่อนไหวอยู่นะใจเราไม่หนีไปใจไม่ลอยไปก็เรียกมีสมาธิแล้วเนีย่ยตึกเนหะ็นไหมสมาธิหา ย, ยาจิตหนีไปแล้วเอด็ดดีอย่าไปจ้องนะดี้อย่าเกรงสายทิ้งเล ย, อ, ยไไอะไรนะอย่าไปเกรงมันตินะเราไม่ใช่พวกส ม, มูรไหลนะ หรือหนังจีนอ่ะมันจะสู้กันทีเกรงเกรงพลังใครรู้สึกตัวไปแล้วจิตใจยังมีความตุกเอาแต่นั่งคิดจิตใจจะมีแต่ความทุกข์นะใจหนักส่วนม่าเราบังคับไวนะ้พอใจมันหนักหนักของคุณดูตรงที่มันถลาบลงไปดูได้ไหมขราบก่อนให้กันบ้านว่าเวลาเรารู้อารมณ์ข้างหนอ่ะ ใจเราชอบเคลื่อนเข้าไปถลำลงไปจ้องถ้าเมื่อไรเราถลำลงไปจ้องมันจะแน่นๆ่นขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เหมือนเรารู้อยู่ห่างๆสังเกตตรงนี้ก็ได้เวลามันแน่นๆ่นใจเราไม่ชอบรู้สึกไหมถ้าไม่ชอบนะคุณรู้ตรงที่ใจไม่ชอบไม่ต้องไปรู้ตรงที่แน่นนะรู้ตรงที่ใจไม่ชอบเนี่ยใจหนีไปทราบไหม ใจมันหนีแว บ, บไปเราก็รู้ว่ามันหนีไปเห็นไหมพอรู้ท่านรู้สึกไม่เบิกบานเนี่ยสติพอเขาเกิดขึ้นเองนะมันเกิดรู้ขึ้นมาแทนที่จะให้หลวงพ่อบอกว่าเผลอไปแล้วนางเนี่ยเราเกิดรู้ด้วยตัวเราเองอ้าวเผลอไปแล้วเนี่ยจิตจะเบิกบานขึ้นมาฉับพลันเลยนะเพราะจิตเป็นครูสดแล้วทันทีที่จิตเป็นครูสดจิตมีความสุขมีความเบิกบานอย่างตามที่สุดจิตเป็นกลางๆงไม่ทุกขนะเป็นอุเบกขาไม่ทุก ทันทีที่จิตใจมีสบายมีความสุขอยู่เนี่ยจิตใจจะไม่สายรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตใจมันจะอยู่กับเนือ้อตัวไม่สายไปเนี่ยจิตมันมีสมาธิขึ้นมาเหตุใกล้ของสมาธิคือความสุขนะพวกเราชอบคิดคิดว่าทําสมาธิให้มีความสุขจริงๆถ้าเรามีสติแล้วเราจะมีความสุขมันมีความสุขแล้วใจจะตั้งมั่นมีสมาธิ นะเมื่อใจมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มันจะรู้กายรู้ใจได้ทําสติปัฏฐ า, านที่เป็นวิปัสนาได้สติปัฏฐ า, านมีทั้งส่วนที่เป็นวิปัสนาแล้วก็ไม่ใช่นะแยกกันมีหลายส่วนงางโยมโยมทางนี้เป็นไงปฏิบัติกันบ้างไหมเหนือครั้งแรกไม่เป็นไรหรอกนะก็ต้องมีครั้งแรกทุกคนแหละนะ แต่บางคนปังอาตมาพูดลงเวียนหัวเลยแล้วบอกขอมาครั้งเดียวสังเกตไหมจิตใจมีความสุขอาเชิญคุณใช่ใช่ที่อยารู้ผู้ได้นี่จะต้องมีเหตุปัจจอ่ามีเหตุสัจจใช่ ใช่ใช่ใช่ใช่สติมาาันระลึกเองอ่ามันก็เป็นอัตตานะถูกแล้วเรียนมาเยอะมั้งหรือศึกษามาเยอะถูกต้องเลยนะเราบังคับไม่ได้เยี่ยสติมันจะไปเกิดรู้กายเี้ยเราจะไม่อยากรู้กายก็ไม่ได้นะมันเลือกมันเลือกของมันเองนะมันสับสวิตเปงว่ามันจะไปทํางานที่อันไหนถูกต้องละ แต่หน้าที่ของเราเนี่ยให้หัดคอยสังเกตสภาวะของจิตใจนะอย่างคุณนั่งอยู่ตรงนี้พักหนึ่งแล้วสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยสงบกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมนะความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราคอยรู้ไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้หรอกนะมันเปลี่ยนแปลงเนี้ยหัดตามรู้อย่างเนี้ยรู้เรื่อยๆเสร็จแล้วเราไม่มีคําถามไม่มีคําพูดเลยนะมันจะเป็นการรู้ด้วยตัวเองนะเหนือสมมติเหนือบัญญัติจะเห็นสภาวะ แห่งใจของเราสงบแต่สงบรู้ว่าสงบอย่างขณะนี้มีความสงบกว่ามเมื่อสักครูนะ่ตอนที่มาถึงวัดใหม่ๆรู้ ส, สึกอย่างหนึง่งนะตอนนี้รู้สึกอย่างหนึง่งเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ได้บังคับเขานะบังคับเขาไม่ได้อย่างจิตใจของเราจะฟุ้งซ่านเราสั่งให้สงบเขาไม่สงบหรอกนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาฟุ้งซ่านรู้ได้ใจที่เป็นกลางนะอย่าไปเกลียดเขาใจมันจะสงบเอง ใจมันจะค่อยๆรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตใจเราสงบพอสมควรแล้วเราก็หัดสังเกตการทํางานของจิตใจนะเช่นจิตใจของเราเนี่ยขณะที่นั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยจิตใจทํางานหลายแบบบางครั้งจิตใจก็แอ บ, บมาดูดูหน้าอาตมานะเห็นหน้าอาตมาแวบหนึ่งหน้าอาตมาก็เลือนไปนะมาฟังเสียงที่อาตมาพูดฟังได้นิดหนึ่งนะเสียงก็ค่อยๆเลือนไปแล้วเราก็เข้ามาคิดอยู่ทางใจ เราฟังสลับกับการคิดฟังแล้วก็คิดฟังนิดหนึ่งคิดยาวๆฟังนิดหนึ่งคิดยาวๆเนี่ยสิ่งเหล่า น, นี้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยหัดรู้ไปหัดสังเกตนะไม่ไม่ผิดนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยนะแต่หัดสังเกตไปว่าอ้อจิตใจเนี่ยจิต like จะไปดูก็ห้ามไม่ได้จิตจะไปฟังก็ห้ามไม่ได้นะจิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะเห็นเลยจิตเกิดดับทางทวารทั้งห เดี๋ยวก็ไปดูก็ไปเกิดทางตาไปฟังไปทางหูก็ก็มาทํางานอยู่ทางใจนะให้คอยรู้เขาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะสรุปมันได้ปัญญานะมันสรุปข้อเท็จจริงได้บอกว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้การที่เห็นว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะสำคัญเมื่อไร่เห็นว่าเป็นของบังคับไม่ได้คือ เ, เห็นเป็นอนัตตานั่นเอง หรือแค่เห็นว่าไม่เที่ยงก็ได้มันเกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจมาทํางานทางใจแล้วก็ดับนะเข้ารู้เข้า ด, าดูในสุดเห็นความจริงนะว่าจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเนี่ยนะหเห็นอย่างนี้แสักกายทิฏฐิเขาจะขาดแต่ถ้าเราปฏิบัติทำโดยการ น, นั่งเพ่งเอานั่งคิดเอานะหรือจิตใจเรากระสับกระสายเราหาสภาวะเราดูสภาวะไม่เจออะไรเนี้ย ปัญญามันไม่เกิดอย่างขนาดนี้หลงทราบไหมรู้แบบว่ามันนิ่มมากเลยนะเออนะอืมน ะ, นะมันผิดปกติแล้วรู้สึกไหมก็รู้ไปว่ามันหลงก็เถอะว่าแล้วมันยังหลงอยู่เลยรู้สึกไหมมีอยู่แล้วอะค่ะออมีอยู่แล้วหรือมีเที่ยงหรอหลงเที่ยงไหม <c oughs> ออรู้สึกไปนะ เออมันยังนึกไม่ออกมันพยายามจะขุดคุ้ยข้อมูลเก่าใกล้จะเป็นอัลไซเมอร์ละปรึกษาหมอติเนะี่ยไม่ผิติยค่ะไม่ผิดหลับธรรมดาบางทีมันก็นึกได้บางทีก็ไม่ได้สังเกตไหมสัญญาเนี่ย จะผุดขึ้นมาหรือจะไม่ผุดขึ้นมาเราก็เลือกไม่ได้รู้สึกไหมที่ที่หน้าฟังคือนานๆจะเห็นคนไปดูตัวสัญญาไม่ค่อยมีใครทำเออไม่ ค, มคอ่อมคยมีคนปฏิบัติด้วยวิธีดูดไว้ตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจตั้งใจก็คงไม่เห็นหรอกนะไงคุณอ้อยเป็นไงบ้าง โอหลายอ้อยเลยแล้วมันนั่งแนวเดียวกันซะ อ, อีก อ, อ้อยสองอ้อยสองแล้วมัวมัวมั ว, ม, วมัวไม่เป็นไรมัวรู้ว่ามัวถ้าใจไม่ชอบมันรู้ว่าไม่ชอบนะคุณสุวิทย์หรือเปล่าอสมเกียรสเนี่ยสัญญาไม่เที่ยงไม่ใช่อะไรหรอกไปคำแก้ตัวของคนแก่เคย มีข่าวหนึ่งคนเข้าไปวัดหินหมักเป้งที่วัดหินหมักเป้งนะคุณหญิงคุณนายเยอะเลย <is> สมัยโน้นอ่ะก็คน mm hmm. เขารวยเขาอยากทําบุญก็ได้ไปว่าเขาทําไมนะคนเข้าวัดแนละ้วหลวงปู่ตอนท่านยังหนุม่มหน่มท่านก็จําชื่อได้ mm hmm. มีคุณหญิงคนหนึ่งเ้าอวดเลยตอนจะเข้าไปพบท่านอุ้ยท่านเจอฉันนะท่านเรียกชื่อฉันถูกทุกครั้งเลย <c oughs> ถ้าไปด้วยกันคุณหญิงก็นำหน้าหาลวงปูรุ่นเล็กนี่ตามหลังหลวงปู่ทักง่ายคุณหญิงอยคุณหญิงยิ้มหวานเลยหลวงปู่จาได้พูดไปสักพักคุณท่านเรียกชื่อคุณหญิงขึ้นมาเกิดเรียกชื่อกลายเป็นคนละคุณหญิงไปโอ้ใจหายเลยที่แท้ท่านจําผิดคุณหญิงคุณหญิงเหม็นกันหมดวัดเลยคุณสมเกียรตเป็นไงาภาวนา คุณหมอไม่เอาคุณหมอหลงละนะคุณหมอร่งสรรคเนีย่ยไปพึงมันอย่าบังคับยังบังคับหน่อยๆนะคุณหมอดูออกไหมว่าเราบังคับไว้มันยังไม่เป็นธรรมดาร้อยเปอร์เซ็นรู้สึกไหมสังเกตตัวสภาวะออกไหมว่าว่ามันไม่ได้ปล่อยอะมันยังมีการประครับประคองจิตใจไว้อันเนี้ดูออกไหม ไม่ได้ไมันได้แต่คุณหมอดูออกแล้วใช่ไหมสภาวะที่หลุดออกมาเป็นยังไงนะมันรู้สองรู้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยรู้ว่าหนึ่งจงใจรู้ไปตรึงเอาไว้รู้ว่าหนึ่งเกิดขึ้นเองไหววัดขึ้นมาเองจงใจไม่ได้แต่คุณหมอรู้ว่ามันยังไม่หลุดออกมาใช้ได้แล้วนะรู้ว่าไม่หลุดมันไม่หลุดรู้ว่าไม่หลุด ถ้าอยากจะหลุดออกมารู้ที่อยากหลุดเลยมันจะพาจิตให้ดิน้นมันจะพาจิตให้ดิน้นเพื่อจะหาทางหลุดนะเราอย่าไปหลงดิ้นตามเขาคุณหมอพี่โยรถเป็นไงหมอหมอเยอะนะเรียกหมอก็ไม่ได้นะเนี่ยหมอเยอะแยะเลยนะดูออกไม้มใจเราสายออกไปนะสายรู้ว่าสายอย่าไปดึงเอาไว้คุณหมอดึงไว้นิดนึงนะใช่ไหมกลา้ลากลานะ้ากล้าเลยทิ้งไปเลยหลงเป็นหลงเลย อต้องอย่างนี้หลงเป็นหลงเลยอย่าไปกลัวมันพอเรากลัวหลงเราจะตรึงความรู้สึกเอาไว้นิดนึงเป็นไงบ้างคุณส่งกันบ้านไหม ไม่ทันหรอกนะเพราะว่าตอนที่มันจะหลงครั้งใหม่เนี้ยถ้าเรารู้ปั๊บมันไม่หลงนะเพราะงั้นมันถึงต้องเป็นการตามรู้มันถึงว่ากิเลสเกิดก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้ว่ากิเลสเกิดนะไม่ใช่กิเลสเกิดไปรูไป้ไปทําไม่ได้นะไม่ใช่ผิดนะมันรู้ได้แค่นั้นแหละเพราะงั้นกิเลสเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่ากิเลสเกิดนะแล้วก็จะเห็นว่าตอนที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี้ยกิเลส ด, ดับไปแล้วตรงนี้ดูออกไหมนะเราจะเห็นเลยว่า เวลาท่านสอนสติปัฏฐานจิตตานุกปัสนาท่านสอดเป็นคู่คู่จิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตเมื่อกี้มีราคาจิตที่รู้ว่ามีราคาตรงนี้ไม่มีราคานี่การตามรู้จิตจะเป็นการรู้ตามหลังตลอดเลยะเช่นเมื่อกี้มีราคะพอรู้ว่ามีราคะตรงที่มีราคาเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่ามีราคาเป็นกุศลแต่ถัดจากนั้นบางทีอกุศลตัวใหม่เกิดขึ้น เช่นอยากละราคะตัวเก่าไปอยากละเนี่ยจิตเป็นกุศลถ้าเกิดรู้อีกว่าอยากละก็เป็นกุศลขึ้นมาอีกให้ตามรู้ไปเรื่อยๆกระทั่งจิตที่เป็นกุศลก็รู้ตัวเองไม่ได้อย่างจิตเมื่อกี้มีราคะดวงนี้ไม่มีราคะแต่ไปรู้ว่าเมื่อกี้มีราคะตัวที่เกิดตามมาเนี่ยตัวนี้เป็นกุศลแล้วรู้ว่าเมื่อกี้มีราคะแล้วจะต้องมีจิตอีกดวงหนึ่งนะมารู้ว่าไอ้จิตดวง ตอนหน้าเนี่ยไม่มีราคาจะตามหลังตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพยายามดูให้ทันเอออืมนแรกครับพอรู้ทันก็ดมจะมีช่วงที่มันเป็นช่วงนช่วงนึงช่วงนี้ตอนนี้คช่วงระหว่างที่มันเปลี่ยนอยู่นะครับมันมมชัดไม่ต้องชัดนะไม่ต้องชัดเพราะว่า มันเป็นรอยต่อเฉยๆลองเกตนไหม ว, ว่าอารมณ์เก่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วก็มีช่องว่างๆมาขั้นช่องหนึ่งนะแล้วก็มีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นนะการที่เราเห็นว่ามีอารมณ์มันึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมีช่องว่างขัง้นอารมณ์มันึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวเนี้เรียกว่าอุทยพยัญญานเนะนี่ยขึ้นวิปัสสนาละลองเกตนไหมว่าอารมณ์ตัวเ ก, ก่ากับตัวใหม่คนละตัว จิตตัวเก่า ก, กับจิตปัจจุบันเนี้คนละตัวใช่ไหมมันขาดขาดช่วงตลอดนะเราเห็นความดับแล้วเข้านะรู้เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าแต่เดิมเราเห็นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมีช่วงเวลาสตมาพัสสติแก่กล้าขึ้นนะพออะไรไหวพี่นิดเดือดดับปั๊บไหวดับปับ๊ บ, บไหวแล้วดับปั๊บเลยนะจะเห็นความดับจุดเด่นจะไปรู้ที่ความดับเขาเรียกว่าพังขยานนะ ไม่ใช่จริงอย่างที่หลวงพ่อบอกนะพระพุทธเจ้าสอนหลวงพ่อจําท่านมา <c oughs> หลวงพ่อไม่รู้อะไรหรอกไม่ทําไม่ทํานะอย่าทำให้ไม่ไม่ใช่ปล่อยตามกิเลส น, นะแต่ว่าปล่อยให้จิตใจมันเคลื่อนไหวปไปเงนี้แล้วก็รู้ไปอย่างที่รู้นี่แหละนะอย่าทําอะไรเกินกว่านี้อย่าพยายามเพิ่มเติมลงสัก น, นิดเดียวก็ไม่เอา เคยได้ยินที่หลวงพ่อพูดไหมว่าเทวดามาถามพระพุทธเจ้าได้ฟังยังนาะหลายคนยังไม่ได้ฟังนะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มสิบห้าพระสูตรที่หนึ่งเลยมีเทวดาองค์งนึงไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้ไงโอคะห่วงน้ําห่วงกิเลสข้ามตันหาได้ยังไงนะพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่ ไม่พักและไม่เพียรเนะทวดางงบอกให้ช่วยขยายความท่านก็ขยายให้บอกถ้าเมื่อไร่เราพักอยู่เราจะจมลงเมื่อไรเราเพียรเราจะลอยขึ้นจบแล้วพระสูตรนี้เทวดาได้โสดานะเราฟังยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคือการพักหมายถึงการปล่อยตัวปล่อยใจตามพิเลสนะเพราะฉะนั้นใครอย่มาบอกว่าปฏิบัติเรื่อยๆ ต้องถามให้เรื่อยๆเป็นยังไงตามกิเลสไปเรื่อยๆหรือเปล่าใช่ไหมตามกิเลสไปหมายถึงว่าเอาแต่วันๆหนึงเอาแต่เพลินเที่ยวหลงดูหลงฟังหลงคิดหลงโน่นหลงนี่ไปเรื่อยๆการไหลตามกิเลสก็คือหลงความปรุงแต่งสายอกุศลบางทีท่านก็เรียกว่าการสุขัาริการนุโยกเป็นการปฏิบัติสุดโต่งแบบตามใจกิเลสเรียกว่าการพักอยู่แล้วจะจมลงคือไปอับาย ส่วนคำว่าเพียนอยู่เนี่ยหมายถึงพยายามปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะเรียก ว, ว่ากุศลาที่สังขารบ้างปุญญาที่สังขารบ้างพยายามปรุงแต่งอย่างพวกเราไปนักปฏิบัตินึกออกไหมกว่าจะแค่ออกมาแต่ละคนเราเมื่อก่อนเราปฏิบัติกันทั้งนั้นเลยคือเราปรุงแต่งฝ่ายกุศลกันเนะราหวังว่าถ้าเราปรุงกุศลได้ดีแล้วจิตจะหลุดพ้นจะบรรลุมรรคผลบรรลุไม่ได้นะถ้าเราปรุงแต่งกุศลขึ้นมาเนี่ยเราจะลอยขึ้น ไม่ใช่หลุดพ้นแนละ้วเราจะลอยคือไปสู่สุขติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมมันเป็นความสุดโตงอีกสายหนึ่งเวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะ่เราจะเริ่มบังคับตัวเองเพราะ ง, งั้นการที่สุดโต่งฝั่งนี้ก็คือคอยบังคับตัวเองเรียกว่าอัตตากริยามถานุโยกการพักอยู่ก็คือการปล่อยตามใจกิเลสเป็นการสุขาัาริการโยคสุกโต่งสองฝั่ง เพราะงันการที่ลงมือปฏิบัติบับงคับตัวเองสารพัดเลยมันก็เป็นความสุดตรงฝ่ายดีแต่ว่าผมไว้นี่ทางสายกลางอยู่ตรงไหนทางสายกลางต้องเป็นทางที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นะไม่พักแล้วก็ไม่เพียรคือไม่หลงปรุงฝ่ายกุศลไม่หลงปรุงแต่งฝ่ายอากุศลทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่รู้กุศลเกิดก็รู้อกุศลเกิดก็รู้อย่าไปปรุงแต่งซะเอง ถ้าจิตเขาแอบไปปรุงกุศลก็รู้ว่าเขาปรุงกุศลถ้าเขาปรุงอกุศลรู้ว่าเขาปรุงอกุศลเราอย่าไปปรุงเสีเองเนี่ยทางสายกลางอยู่ตรงที่รู้โดยไม่ไปปรุงเสีเองงั้นไม่ทําอะไรมากกว่าการรู้นะแต่ว่าเบสิกเลยรักษาสี่ห้าไว้ก่อนเดี๋ยวปัญญาล้ําหน้าไปแล้วก็จะเพี้ยนเชิญเชิญโ ใช่ใช่โยกกามาโอคะพระวะโอคะเนี่ยแต่วาห้วงน้ำเป็นชื่อของกิเลสถูกต้องแล้ว่นบอ่าความเพียรความเพียรนกุศล่เนารามีความเพียรที่ทำให้เราสามารถพียรเพียรเนี่ยมีสองเพียรนะเพียรมีสองเพียร เพียงอันหนึ่งเรียกว่าสัมมาวายามะเพียงชอบเพียงชอบมีสัมมาวายามะหมายถึงว่าถ้าเกิดความเพียรแล้วเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะถูกละไปอกุศลใหม่จะไม่เกิดขึ้นนะกุศลกุศลก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะงอกงามนี่เรียกว่าเพียงชอบนะความเพียรอีกอย่างหนึ่งเพียรด้วยโลภะเพียรด้วยอยากนะอย่างพวกเราเวลาปฏิบัติธรรมเราอยากได้ผลกันนะเราอยากบรรลุมรรคผล น, นิพพานเนี่ย ตัวนี้เรียกว่าเพียรไม่ชอบนะการเพียรไม่ชอบเนี่ยมีปัญหาอยู่เบื้องหลังคืออยากบรรลุอยากบรรลุแล้วก็ลงมือทำใหญ่เลยบังคับตัวเองอย่างง้นอย่างนี้เข้าวัดนั่งสมาธิทาอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะส่วนตัวเพียรชอบเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้บเมื่อไรมีสติเมื่อ น, นั้นมีความเพียรเมื่อใดขาดสติเมื่อ น, นั้นขาดความเพียร อย่างที่พวกเราพยายามนั่งสมาธินะเราบอกเราเพียรชอบบางทั้งที่บางทีเราก็ขาดสตินั่งเราเคลิมเคลิมไปนะงั้นเพียรชอบกับเพียรไม่ชอบไม่เหมือนกันการเพียรชอบก็คือการที่มีสติขึ้นมานะเมื่อไหรมีสติเนี่ยอาภูตนถูกละในฉับพลันนั้นเลยกูตนเจริญขึ้นในฉับพลันนั้นเลยเพราะงั้นมีสติตัวเดียวนี่แหละนะเชิญเชิญ ไม่ไม่ผิดอ่ะนะเบื้องต้นเรารู้ตัวสภาวะไม่ได้เราก็คิดเอาก่อนก็ได้นะบางสำนักท่านก็สอนให้คิดเอาอย่างเวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยดูสภาวะโกรธไม่ทันเขบอกว่าโกรธน้ออะไรเนี้ยเป็นการเตือนตัวเองอให้หัดสังเกตความโกรธเนะี่ยหรือครูบาอาจารย์มัดป่าบางทีก็สอนคิดเหมือนกันอย่างให้พุทธโธพุทธโธออกจากพุทธโททธติถอยออกมาแล้วให้พิจารณากายก็คิดเรื่องกาย แต่เราต้องแยกให้ออกนะตรับใดที่ยังคิดอยู่ยังไม่ใช่วิปัสนาะวิปัสนาเป็นภาวนามย์ปัญญาต้องรู้เอานะจินตามายะปัญญาเนี่ยทำไปเราได้ความสงบเพราะงั้นเบื้องต้นเราจะคิดก่อนก็ได้คิดแล้วใจสงบเช่นเราต้องคิดให้ถูกเรื่องนะไปคิดเรื่องร้ายๆไม่สงบไปคิดเรื่องร่างกายเน่าเปื่อยเราจะต้องตายเรื่องอะไรเงี้ยคิดแล้วใจสงบ อืมอ่าอืมอ่าได้ค่อยค่อยหัดสังเกตตัวสภาวะนะหัดสังเกตว่าไอ้ตอนที่เราโกโรธเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงนะเนี่ยสังเกตอย่างนี้ะหัดตามรู้ไปก่อนแต่ไม่ใช่วิปัสนานะมันเป็นการศึกษาโดยการนึกเอาว่าไอ้ตอนโกรธเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงะแต่ว่าพอเราจําได้แล้วประจิตใจเรารู้จักว่าอ๋อความโกรธเวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะ มันเกิดมาจากการได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเช่นถูกเขาดา่าความโกรธก็เกิดขึ้นนะวก็จะรู้อ้อโกรธเพราะอะไรความโกรธเกิดจากการกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจความโกรธเกิดแล้วมันมีลักษณะยังไงแหมมันพุ่งขึ้นมาจากกลางอกเลยนะพุ่งขึ้นมาเป็นริ้วๆๆเลยถ้าโกรธมากเนี่ยเลือดขึ้นหน้านถ้าโกรธนิดหน่อยก็ขัดใจขุนๆอยู่ตรงนี้ หัดดูตัวสภาวะนะค่อยๆดูเอาไม่เกี่ยว ก, กันมันอยู่ที่ว่ามันจะรับอารมณ์ใหม่ไหมจิตจะขึ้นวิถีใหม่ไหม ไม่ใช่ตั ว, ต, วตัวที่สติเราไม่ได้เกิดตรงช่องว่างใช่ไหมช่องว่างเราไปรู้ทีหลังนะสติไม่ได้เกิดตัวนะ้ตรงนั้นจะเป็นผวางขาจิต่ากั้นนิดหนึ่งสติเกิดตรงชวาวนะจิตเราเห็นทีหลังตามรู้นั่นเองตามรู้เมื่อกี้มีช่องว่างตามรู้ตลอดเลยรู้จนะิตอ่ะถ้ารู้กายหลงวิปัสสนารู้กายหลงปัจจุบันได้ แต่จิตนี้รู้ตามหลังแต่ว่าตรงที่ว่างๆของคุณไปปนกับว่างอีกว่างหนึ่งคนละว่างกันนะของเขาเป็นว่างที่ขั้นระหว่างอารมณ์สองตัวของที่คุณพูดหมายถึงว่าพอจิตมันมีความรู้สึกตัวเนี้มันสว่างขึ้นมาใช่ไหมมันมันผ่องไสมันเบิกบานมันสงบสะอาดสว่างขึ้นมาสภาวะนี้ก็อยู่ชั่วคราวนะอยู่สั้นๆดับแล้วก็เกิดใหม่เพราะฉั้นจะเกิดทีๆไม่ใช่เกิดต่อเนื่อง สภาวะนี้ไม่คงทนอยู่เลยเพราะว่าเกิดแล้วดับแต่ว่าเกิดพอเกิดทีทีมันจะคล้ายๆอยู่ตลอดอย่างคล้ายๆแสงไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามันเกิดดับตลอดใช่ไหมวินาทีหนึ่งห้าสิบกว่าครั้งอะไรเนี่ยมันเกิดดับทีทีทีทีเลยรู้สึกมันต่อเนื่องสติก็เหมือนกันสติก็เกิดดับแต่พอเกิดทีทีเรารู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ทั้งวันเลยคนละอานนะคนลาน ทําให้เกิดบ่อยๆพระฮูลีกตานะทําให้เกิดบ่อยๆท่านไม่ได้บอกทําให้เกิดนานๆนะท่านบอกทําให้เกิดบ่อยๆบ่อยๆกันนานๆไม่เหมือนกันเชิญเถิเออมันก็กลับมาเกาะกันเขาว่า ไค่อยๆดูเอานะต่อไปเราจะเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความคิดก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคนละส่วนกันหมดเลยแล้วแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองไม่ก้าวไก่กันไม่เป็นไรปัญญาไม่เกิดบ่อยนะเป็นธรรมดานะเห็นอย่างนั้นดีแล้วรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าความคิดกับกายคนละอันกัน แล้วสังเกตไหมว่าร่างกายก็เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าความคิดก็เป็นสิ่งที่จิตใจเราไปรู้เข้ารู้สึกไหม อ, อ้ามันถอยออกมานั่นแหละถอยออกมาเป็นคนวงนอกอยากเข้าไปคลุกวงในเวลาปฏิบัติอ่ะถ้าไปคลุกเป็นก้อนเดียวเวลาดูดูอย่างเป็นก้อนเดียวเลยรู้สึกไหมรวมเป็นก้อนเดียวกั น, นะนการมองอย่างเป็นก้อนเดียวกันเนี้เรียกมองอย่างคณะสัญญานะขอละคังนอหนูคณะ คือมองอย่างเป็นกลุ่มก้อนเราจะรู้สึกว่านี่คือตัวเราแต่ถ้าปัญญามันแจกแจงออกมาแตกพวกออกมาให้ดูนี่กายอยู่ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนานะกูสน่นกูสลนส่วนหนึ่งความคิดอยู่ตัางหากจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าอ๋อมันคือสิ่งที่ประกอบกันเราเรียกว่าตัวเราตัวเราไม่มีเพราะงั้นตรงนั้นไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดเองนะเกิดโดยการที่เราหัดมีสติเรื่อยๆแต่ เ, เาเกิดเอง ดีนี่ไปเรียนมาจากไหนอ๋อแต่ความเป็นก็ไม่ได้ทิ้งทำไรนั่แต่งหน้าอยู่นะอไม่เป็นไรแต่งหน้าก็ดูได้นะสติมันเกิดขึ้นมาสติมันเกิดแล้วมันเห็นได้เอาสาวๆได้ยินแล้วนะเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปแต่งหน้า <c oughs> เนี่ยจะได้เกิดปัญญาเนี่ดีใจละ กุ้งรู้สึกตัวนะอย่าหนีไปสมพงศ์ดีแล้วสมพงศ์ไอยโยแมวเนี่ยเอ อ, เอปล่อยทิ้งรู้สึกเลยโยรู้สึกไหมยังยังเพียนอยู่นะรู้ทันตรงที่เพียนไปเลยนะอย่าไปหามันนะอย่าลงไปคิดรู้สึกเอ า, เ อ, าอ้อยรู้สึกตัวไว้หนีไปละนี่ซึมแล้วรู้สึกไหมรู้จักซึมไหมอ่เน่ไม่นั่งตรงนี้หายหือ นะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยสังเกตไหมพอเราสนใจเขาเราก็ลืมตัวเราเองนะเนื่อง่ายๆเลยหัดรู้สึกไปเรื่อยอ๋อหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจหัดรู้สภาวะไปเรื่อยแล้วสติเกิดเองแล้วจิตใจก็เบิกบานสังเกตไหมจิตใจพวกเรามีความนุ่มนวลเบิกบานนะจิตใจไม่แข็งกระด้างไม่ทื่อๆหนักๆนะพอพูดเข้าเริ่มทื่อๆหนักๆแล้ว เห็นไหมรู้สึกเบาอีกแล้วรู้สึกไหมที่มันือขึ้นมาเพรไปจ้องใส่มันเข้าเหมือนเด็กนะจิตเขาคล้ายๆเด็กอะ่ะถือไม่เรียวไปจ้องมันก็เกรงเท่านั้นเองตึกแล้วแฟนไปไหนละ่ะไปเลี้ยงลูกเหรออ๋ออยู่นี่แหละเป็นไงภาวนาเป็นยังบ้างเ <Yeah. S 1> ดารู้เรื่อยๆนะหัดเรื่อยๆทําเท่าที่ทําได้เราทําเท่าที่ทําได้ยัง เอ้ผู้โดยสารคนนี้มันปวนประสาทไม่ชอบหน้ามันหรือว่าไม่ชอบเนี่ยนะคนนี้เรียบร้อยพอใจหรือว่าพอใจนะง่ายๆฝึกอยู่ในชีวิตอย่างนี้เลยนะวันนี้ตึกมันวุ่นวายแล้วเกินลำคาญ ร, รู้ว่าลำคาญนะทุกตีสั่งสอนนะไม่เป็นไรอย่าให้ถึงกับพิ่คนพิการสัง เ, เกตไหมจิตใจสบายรู้สึกไหมเนะีย่ยค่อยรู้สึกเอา เสียงกระทบหูแปลแล้วขำดีขำดีแล้วรู้สึกขำรู้สึกขำแล้วก็รู้เอาแต่อย่านั่งจ้องนะพวกเราจะพลาดตรงนั่งจ้องว่าไงอะไรเนี้ยมาตีตัวหลับอยู่ข้างหน้าเวลาร่างกายเจ็บปวดมากๆคิดเอานะคิดเอาวาเออเราร่างกายเจ็บปวดมันห้ามไม่ได้เราจะรักษาใจของเราไม่ให้ทุรนทุราย รับสาใจไว้อันเดียวนะคิดไปใครคิดพิจารณาต้องคิดเอาถ้าไปคิดว่าโอ้เราเวรกรรมแล้วเกินทำไมจะต้องเป็นเราที่เจ็บอย่างนี้อะไรเงี้ยคิดอย่างนี้จิตจะยิ่งแย่กไม่มีเกินไปนะรู้ดีแล้ว แต่เดิมเรามีความทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นเราก็คิดว่าร่างกายนี้นานๆทุกทีหนึ่งนะแต่ถ้าเรามีสติมันทุกตลอดการเห็นทุกขนะ์นั่นแหละเป็นต้นทางให้เห็นธรรมอพอพอเห็นทุกขนะ์แลดูตัวนี้ต่อดูตัวสมูทยัยตัวไม่อยากนะรู้เข้ามาที่ตัวไม่อยากพอความไม่อยากดับจิตเป็นกลางรู้ทุกข์ด้วยความเป็นกลางนี่ละยอดของกรรมฐานเลยนะเพราะงั้นการที่เราเห็นทุกข์นะดีวิเศษแล้ว อ่ต้องฟังไปคิดไปมันมันสลับกันขณะที่ไปรู้ลมหายใจก็ฟังไม่รู้เรื่องเห็นไหมมันสลับกันจะแวดๆฟังงเหมือนไม่ฟังนะเพราะจิตนั้นรู้อารมณ์ได้คลั่งและอย่างเดียวจิตมันไปรู้ลมรู้ว่าจิตไปรู้ลมจิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดรู้ทันจิตหอืช่างมัน สิ่งที่ฟังอาตมาพูดนี่นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะที่พูดให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราหันมาดูของเราเองให้เป็นนะที่อุสาว์พูดทุกวนันทุกวันนะเพื่อให้เราดูของเราไม่ใช่เพื่อให้พวกเราจาไปนะไม่ต้องจำเลยเรียนะนะหัดดูของเราให้เป็นการที่เห็นทุกทุกดีนะเวลาศาสนาพุทธเนี่ย ธรรมะตัวแรกเลยที่พระพุทธเจ้าสอนสัจจะอันแรกเลยความจริงอันแรกคือทุกข์การที่เราเห็นทุกข์เนี่ยทาให้ไม่ประมาทไม่งเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีแต่ความสุขนานๆทุกทีหนึ่งแต่ว่าพอมันทุกข์ตลอดรู้สึกไหมเดี๋ยวเมื่อยเมื่อยก็ทุกข์คันก็ทุกข์ขกกขใช่ไหมร่างกายเดี๋ยวตรงนี้เกรงตรงนี้ปวดเป็นทุกข์ให้รู้แต่ว่าพอรู้แล้วใจเราจะไม่ชอบ พอใจไม่ชอบปุ๊บไม่ต้องรู้ที่ทุกข์นะให้รู้ที่ใจที่ไม่ชอบพอความไม่ชอบดับไปใจเป็นกลางใจเป็นกลางเราจะรู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางคราวนี้มันจะเหมือนเราดูคนอื่นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์จะเห็นว่าอ้อความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ไม่ยากไม่ยากหลวงปู่ดูลบอกว่าประโยคแรกเลยการปฏิบัติไม่ยากยากสาหรับผู้ไม่ปฏิบัติคือยากสาหรับผู้คิดเอาฟังแล้วก็เอาไปคิด้วรู้สึกยากยาก ไปยากอะไรเนี่ยปฏิบัติกันนิดๆหน่อยๆปัญญาก็เกิดนานาชนิดนะ้เพราะงั้นต่อไปความทุกข์นะใจเราก็สับปะสายใจไม่ชอบรู้ที่ใจนะพอใจเป็นกลางเนี่ยสติมันจะไประลึกรู้ทุกข์ต่อเพราะเป็นอารมณ์เด่นนะแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ใจที่เป็นกลางเราจะเห็นเลยความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความทุกข์เป็นของข้างนอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นนจะค่อยๆเกิดปัญญา การที่เห็นทุกข์นะดีนะเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนอะไรนะวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องใหม่เปลี่ยนนี่ให้เป็นนี่มากขึ้น <c oughs> อาพอสมควรแก่เวลานะเชิญกลับบ้าน